จริงๆคือถ้าถ้าเรามองจากคําสอนเราจะเห็นอะไรหรือไหม <c oughs> ท่านบอกว่าข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อท่านว่าโคดมท่านว่าโคดมสามารถแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่ข้าพเจ้ารู้จากความไม่มีโลกและจะเห็นนิพพานเนี่ยตรงเนี้ยนะ <c oughs> ก็ว่าไปตามลําดับแลษษ้ว菩萨สดาก็าออกมาแล้วก็เลื่อมใสทีนี้ พอมาดูในชั้นของคำสอนความไม่มีโรคท่านกล่าวอย่างนี้บอกว่าการได้ทรัพย์การได้ยศการได้บุตรก็ดีนี่นะอย่างใดอย่างหนึ่งความไม่มีโรคเป็นลาบสูงสุดกว่าลาบเหล่านั้นเอาซิจะได้ทรัพย์ได้บุตรได้ภรรยาได้ฐานะได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยความไม่มีโรคเป็นลาบกว่านั้นกว่าสิ่งนั้น ลาบยิ่งกว่าความไม่มีโรคไม่มีเพราะเหตุนั้นความไม่มีโรคจึงเป็นลาบอย่างยิ่งสุเกิดแต่ฌานสุเกิดแต่มรรสุขเกิด แ, แ, แต่ผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่บรรดาสุขเหล่านั้นนิพานเป็นสุขยิ่งกว่านั้นนิพานเป็นสุขยิ่งกว่านั้นนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุกยิ่งกว่านิพานเพราะเหตุนั้นนิพานจึงเป็นบรมสุขทีนี้บรรดาทางอริยมรรสมีองค์8ดมีสัมมาทิฏฐิเป็นตอนคือสติปัฏฐานเนี่ย ศึกษาให้เข้าใจเดินตามสติปัฏฐานสมปะปัฏฐานอิทิบาทอินทรีพระโาพุทธชงและมัชนี่นะนี่แหละนำไปสู่อ ม, มะตะอันนี้เป็นทางเกษมทางอื่นที่เกษมกว่ามัชนี่ไม่มีท่านจึงใช้คำว่าเข ม, มังอมตตังเป็นต้นเลยเนี่ยนะให้ถึงอ ม, มะตะคือถึงพระนิพพานเป็นทางเกษมเป็นชื่อของพระนะิพพานเนี่ยนะสำนัพราหมุกข์กล่าวคัดค้านเป็นอันมากถือลัฐิว่าทางเป็นทางเกษมและทางนี้ให้ถึงอ ม, มะตะธรรมเนี่ยนะ ท่านบอกว่าทางของท่านถึงกล่าวถึงบอกว่าเป็นดังโรคเนี่ยก็โรข่าพูโตเนี่ยเพื่อเป็นรังของโรคจากสุขของภริยะก็หมายความว่าท่านบอกว่ามาคันธิยะเนี่ยไม่มีจากสุขของภริยะจึงตาบอดอะไรชื่อว่าจากสุขของภริยา น, ยะนะวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณใช่ไหม เริ่มตั้งแต่นี่แหละตัววิปัสนาปัญญายาณที่มีสมาธิเป็นประทัดฐานเป็นต้นเหล่านี้ที่สามารถไปเจาะไปทำลายสภาวะลักษณะแล้วก็สามัญญลักษณะสภาพที่ปิดนะโมหะที่ปิดสภาวะลักษณะคือปิดลักษณะปิดกดิปิดอาการปรากฏแล้วก็ปิดเหตุใกล้เป็นต้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสภาวะธรรมที่ไปเจาะไปทะลุไป แทงเนี่ยหรือไปจุดประทีปให้สว่างในใจเราเห็นสภาวะลักษณะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็เห็นสามัญลักษณะคือลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานั่นแหละเขาเรียกว่าตัววิปัสนาญาณตัวนั้นนั่นแหละเป็นต้นน่ยอันนั้นเป็นจักษุของพระอริยะตอนนี้เราเริ่มใส่จักษุของพระอริยะบ้างอย่างตอนนี้จักษุและบอดอยู่ไหม ไปเปลี่ยนตากันเสียไปเปลี่ยนเอาจากสู่ของพรลยยามาใส่แทนแล้วเราจะได้มียานคือปัญญาเอาวิธีการใส่จากสู่ของพรลย์ย่าทำยังไงทำไงดีเจนสุวรรณทำไงเริ่มด้วยสีเพอขนาดมาที่หลังเกือบจะจบนะเนี่ยยังพอตอบได้ม <c oughs> ไม่เลยมีที่แถวบ้านมีเตาเยอะไงเยอะไงอ๋อไม่เยอะนนึกว่ามีเตาเยอะหมอมีเตาเยอะไหไม่เยอะเนี่ยไม่น้อยมาก แอบไปลกักเอาเตาคนอื่นมาเผ า, าว้งวะแอบชื่นชมเลยทางทวารตาหูจมูกดินกายใจก็คือว่าวิปัสสนาญาและมัรคญาณอันบริสุทธิ์นั่นแหละนะเพื่อจะผสมยาถอนอาเจียนแล้วก็ยาถายย่ายยาหยอดตายาต้มเป็นโ้นอันนั้นแหละเพื่อจะรักษาตอนนี้จักษุบอดอยู่เนาะ ถูกสิ่งพันธนาการนะพวกดีบ้างพวกเสมหะเสดทั้งหลายเนี่ยกำจัดเป็นระยะระยะอาศัยแพทย์ที่ฉลาดรับประทานยาที่ถูกกรโรคก็จะสามารถมองเห็นได้นั้นในตาที่บอดแต่กาเนิดก็จะหายได้เพราะฉะนั้นการที่เราบอดมาแต่กาเนิดแล้วไม่ไปหาหมอเพื่อจะรักษาเราก็เลยกลายเป็นผู้บอดเลยเขาท่านใช้คำว่าคัตจันโทก็บอดแต่กาเนิด ในสังสารวัตรเนี่บอดมานานแล้วบอดมานานแล้วทีนี้บุรุษเนี่ยถูกก็หมายความบอกว่าเราเนี่ยถูกถูกหลอกไอค้คำว่าถูกหลอกในทีน่นี้ผู้ที่หลอกเราจริงๆก็คือจิตนั่นเองล่อลวงเรามานานแล้วจิตนี้ล่อลวงเรามานานแล้วเราไม่เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมเพราะเราไปเข้าใจผิดนี่แหละในชั้นของคําสอนตรงนี้ก็คือว่า ตรงนี้นะที่ท่านบอกถึงในเรื่องของการถูกล่อลวงเนี่ยเขาก็เบียดเบียนบุรุษเป็นต้นเหล่าเนี้นะในคําสอนดูก่อนมาคาทิยะเราก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้าแสดงทำแก่ท่านว่าความไม่มีโรคก็คือข้อนี้นิพพานก็คือข้อนี้ท่านนั้นพึงรู้ว่าความไม่มีโรคพึงเห็นว่านิพพานนั่นก็จะละความกําหนัดตรงนี้ก็หมายความบอกว่าถ้าแสดงลักษณะอย่างนั้นก็จะเป็นความเหน็ดเหนื่อยดังกล่าว พระศาสดาก็บอกท่านนั้นพึงรู้ว่าความไม่มีโรคพึงเห็นนินพพ า, านได้ท่านนั้นก็จะละความกำหนัดก็หมายกับด้วยความด้วยความพอใจในขันที่มีอุปาทานขันห้าพร้อมทั้งความเห็นได้ปัญญาเกิดขึ้นอันหนึ่งความดําริอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญเราถูกจิตเนรลอลวงให้หลงมานานแล้วเราเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่รูปนี้เท่านั้น เมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่เวทนาเท่านั้นเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่สัญญาเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่สังขารและเมื่อเรายึดมั่นก็ยึดมั่นแต่วิญญาณเท่านั้นสรุปก็คือยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวยึดมั่นเป็นอุปทานใช่ไหมตัณหาเกิดขึ้นยินดีพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอตัว ตัวตันหายินดีพอใจในรูปเวทนาสัญญาสัญขานวิญญาณเมื่อยินดีพอใจมากขึ้นอุปาทานก็เกิดเพราะอุปาทานเกิดใช่ไหมอุปาทานก็เป็นปัจจัยแก่พบแก่กรรมไหมแก่กรรมมาพบพบก็เป็นปัจจัยแก่ชาติแล้วแต่เนี้ยชาติก็เป็นปัจจัยแก่ชารามรณาะโสกปริเทวทุกขโทมรณะสะและาาุ้ปายาตความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งเส้นนี้ย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้ ใช่ไหมภาาสดาสแสดงอะไรเพื่อให้ถอนภาษาสดาต้องการให้จักรสุ ข, ของพราริยะแก่ท่านมาคันธิยะพราะเห็นว่าท่านมาคันธิยะเนี่ยบอดเห็นว่าพวกเราเนี่ยบอดพระ อ, อ, องค์ก็บอกว่าต้องต้องวิจัยแบบนี้เพื่อจะไปเจาะทะลุทะลวงใช่ไหมพอเข้าใจเบ็ดเสร็จนี้พอสําคัญถูกต้องแล้วเราเป็นผู้มีจักรสุคือยานปัญญาที่บอดสนิทมานานแล้ว เราไม่มีจกักษุของภริยาแปลว่าเราไม่มีอะไรไม่มีวิปัสนาปัญญาแ ล, และก็ไม่มีมรรคญาณนันบริสุทธิ์เราไม่มีตานี้เลยเนะ่เพราะเราไปเข้าใจบอกว่าการเห็นภาษาสดาเป็นการเห็นด้วยตาเนื้อไงนะที่จริงการเห็นภาษาสดานั้นเป็นการเห็นด้วยตาปัญญาตาปัญญาไปเฝ้าภาษาสดาสถานที่ประสูติสถานที่สัตว์รู้สถานที่แสดงธรรมจัก สถานที่ปริญนิพานพระศาสดาอนุญาตไว้ในฐานะแห่งเราแปลว่าเราไปณสถานที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราได้เฝ้าพระศาสดาได้เห็นพระศาสดาพระธรรมของพระศาสดาก็ไหลลาดกระแสใจเราใช่ไหมพระศัทธรรมของพระศาสดาตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไหลสู่กระแสใจศีลสมาธิปัญญาไปต้นก็ไหลสู่กระแสของชีวิต ขาดเกาชีวิตนั้นให้มีความบริสุทธิ์ให้ความหมดจดยิ่งชึ้งยิ่งขึ้นใช่ไหมตรงนี้ก็แปลว่าเรายึดมั่นในรูปยึดมั่นในเวทนาในสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณอะไรเป็นปัจจัยเรายึดมั่นตัณหาใช่ไหมเพราะเราไปยินดีไปเพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นยินดีในรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณไปยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองของบุคคลอื่น พระศาสดาก็บอกว่าเนี่ยเราตาบอดมานานแล้วสมคัญผิดว่านี่ความไม่มีโรคผิดพลาดความไม่มีโรคก็คือการที่ตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยไม่กําเริบในพบไหนๆอีกแล้วนิ่ผ่านเป็นอันเดียวกันไหมเนี่ยทอันเดียวกันกับความไม่มีโรคไหมอันเดียวกันไหมเป็นอันเดียวกันนะหมอ ความไม่มีโรคก็คือไม่ใช่ว่าเอามือรูปตัวเหมือนมาคันทญาตจากทีแรกความไม่มีโรคกันยงไงสุขภาพแข็งแรงไงนิพานก็ได้รับความสุขจากการเ อ, อิบออิ่มในกามคุณไงเพราะคาถาต น, น, นเองเนี่ปุถุชนเอาไปสาทยายผิดกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขียนตามล้านไหมอโรขยาปรมาราภา <c oughs> เขียนอย่างเงี้ยเขาเห็นเขียนไหม <c oughs> แล้วคิดว่าเขาจะรู้ความไม่มีโรคเพราะเขาเพราะอะไรบอด วิปัสนาปัญญาไม่เกิดเพราะเขาไม่ได้ฟังสูตรนี้เพราะเขาไม่ได้ฟังพระบุรุษมาสดาใช่ไหมต่อไปเราก็รู้ความไม่มีโรคแล้วสรุปแล้วตอนนี้เรามีโรคไห ม, ไ ม, มเป็นกันทุกคนนะไม่ใช่เป็นแต่ในห้องพอออกไปเอ้ยไม่เป็นแร้วก็ยังเพลินต่อไหมก็ยังเพลินต่อฉนั้นต้องสําคัญความไม่มีโรคให้ชัดเจนตรงนี้นะตรงนี้ก็คือว่าพระบรมศาสดา ส, ดาสอนเริ่มตั้งแต่ตัณหาเนี่ย อะไรเป็นป you ัจจัยของตัณหาเนะเมื่อกี <scene al ürü gold world> ้อะไรเป็นเวทนาเวทนาเป็น hm. ป <sm> ัจจัยแก่ตัณหาอะไรเป็นเหตุใกล้ของตัณหาฮะทิฏฐิที่มีความเห็นตัวโยนิโสบวกกับทิฏฐินั่นแหละคือตัวมิจฉาทิฏฐิที่เป็นสําคัญว่างามไงงามไในไหนในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของสังโยชน์ใช่ไหม เราไปเห็นว่างามเห็นตางามเนี่ยตัณหาเกิดไหมลองลองคิดบ่อยๆที่โอ้ยตาดีตางามนะหูกงามจมูกลิ้นกายใจก็งามก็ดีพอไปคิดคิดคิดคิดบ่อยๆเนี่ยคิดแบบนี้ตัณหาเกิดดินนะลองไปพัลนะอาหารเนี่ยอร่อยนะอร่อยนี่ตัณหาเกิดไหมเอาไปกินอาหารเมื่อม่อกี้ตัณหาเกิดไหมเกิดไม่เกิดเอ๊ะกินนะ <laughs> เอ๊ะทีนี้อย่าลืมนะคนที่เขาคนที่เขาให้ทานเนี่ยนะคนที่เขาถวายทานเขาได้บุญเขาไปแล้วเนี่ยไอคนบริโภคต้องคิดเองนะเข้าใจไหมต้องคิดเองนะคนหนึ่งได้บุญคนหนึ่งอย่าไปได้บาปกาให้ต้องระวังมากนี้ใช่ไหม <c oughs> ในกลุ่มบุคคลเนี่ยให้สังเกตโด้วยไงยนะว่า ในบรรดาอุบาสกบาสิกาทั้งหลายที่ไปในงานชมนมในการฟังธรรมของพระาศาสดามีการจัดประลำวิธีในการจัดอาหารเยอะแยะเบ็ดเสร็จมีสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งมีสุขติเป็นไปกลุ่มหนึ่งมีทุกติเป็นไปนะอย่าลืมเนี่ยมี2กลุ่มเน่ยในงานบุญทั้งหลายเหล่านี้ที่ไปไหว้พระนี่ก็เหมือนกันที่จะไปไหว้ที่อินเดียจะมีสองกลุ่มกลุ่มที่ไปไหว้แล้วตกนรกกับไหว้แล้ว ไ, วไปสวรรค์ น, นะอย่าลืมเนี่ยว่าไงดราภาวดีเอากลุ่มไหน ทำไมไปผิงเตาซะนานเลยม่เ <c> ห <oughs> จะเป็นไปได้หรืออย่างเงี้ยการปฏิบัติกับคําพูดจะไม่ไปคนลมุมเลย <c oughs> ไ, ไปคนลมุมเลยเงี้ยเอ๊อย่างเงี้พระจะควรจะตั้งใจเชื่อไว้ก่อนหรือยังไงเดนเอาไงดีนะแปลกใจเนก็ลองฝืนเชื่อไปก่อนใช่ไหมต้องฝืนเชื่อไว้ก่อนตรงนี้ ข้าพระเจ้าเลื่อมใสต่อพระโคดมอย่างนี้แล้วท่านพระโคดมย่อมสา ม, มารถแสดงธรรมแก่ข้าพระเจ้าโดยประการที่ข้าพระเจ้าไม่เป็นคนบอดไม่เป็นคนหนวกคนใบอีกล้เนี่ยลุกจากอาสนะนี้ได้วงั้นดูก่อนมาคาธิยะถ้าอย่างนั้นน่คือบอกว่าทำยังไงอ่ะป็นนมือกราบทูลพระบรมศาสดาทำยังไงข้าพระเจ้าจากไม่บอด ใช่ไหมข้าพเจ้าจะไม่บอดขอให้พระปรมศาสดาเนี่ยช่วยบอกข้าพเจ้าทีข้าพเจ้าจะได้ลุกจากอาสนะนี้ไปอย่างในฐานะคนตาดีอ่ะตอนนี้ข้าพเจ้าบอดแล้วเราเข้าไปอ่านวระไตรปิดกเราเราสำคัญตัวเองแบบนี้ไหมข้าพเจ้าบอดมานานแล้วขอให้พระปรมศาสดาโปรดข้าพเจ้าทีเถอะช่วยรักษาโรคความบอดของตาคือปัญญาญาณเนี่ยข้าพเจ้าไม่มีจากสุขของพระริยะ ไม่มีวิปัสสนาญาณและมัคคุยานที่บริสุทธิ์มาอย่างยาวนานแล้วในสังสารวัตรมาคราวนี้มาเฝ้าพระศาสดาใช่ไหมจะไปกราบพระศาสดาถึงสถานที่ประสูตตรัสรู้เป็นต้นเหล่าเนี้ยหรือจะมาฟังธรรมเป็นต้นเหล่าเนี้เพื่อต้องการจะทําความเป็นผู้มีจักษุบอดหรือตาบอดใี่นวความบอดของญาณปัญญาณให้เกิดขึ้นไปเฝ้ามนาสิการไปแบบนี้หรือเปล่าว่าจะไปเดี่ยคิดอย่างนี้ไหมลองเตอร์ดาถ้าคิดอย่างเนี้เขาเรียกว่าตั้งหลักไม่ถูก ตั้งหลักไว้ถูกว่าเราเนี่ยจะได้ไม่บอดจะได้ลุกออกะะจากอาสนะนี้ได้พระศาส ด, ดาก็บอกว่าดูก่อนมาคาณิยะถ้าอย่างนั้นเบื้องต้นท่านจงคบสัรบุรุ่นบอกเลยว่าท่านจงคบสัรบุรุษคือครบพระพุทธเจ้าสาวกของพระุทธเจ้าที่ท่านท่านฉลาดในอริยสัจเนี่ยตัดสุกเออกล่าวอริยสัจสี่ได้ เมื่อใดท่านครบสัตตบรุษเมื่อนั้นท่านจะได้ฟังพระสัจธรรมของสัตบุรุรที่เกี่ยวกันในเรื่องของอริยสัจธรรมทั้งสี่นั้นเมื่อท่านได้ฟังพระสัจธรรมที่เกี่ยวกับอริยสัจสี่จากสัตบุุษแล้วท่านจะปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมอ่ะท่านจะได้เริ่มตั้งตั้งแต่สารณคมอ่ะถูก จะได้ตั้งสถานะคมือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะเป็นต้นแล้วก็เดินเข้าสู่กุศลศีลใช่ไหมอันนี้เขาเรียกประพฤติตามตามสมควรแก่โลกุตลาธรรมนะอันนี้โดดแล้วทุกวันเนี้สารณะยังไม่แข็งแรงจะโดดเข้าห้องวิปัสสนาขอไปเคยมีไหม <c oughs> จะโดดเข้าซะแล้วแล้วจะทํำยังไงเนี่ยสารณะก็ยังไม่รู้จักเลยเนี่ยยังไม่รู้จักพุทธเจ้าเลยเนี่ยจะรีบพ้นทุกซะแล้ว ฉะนั้นถ้าให้ประพฤติทำตามสมควรนีให้เป็นไปตามลำดับเนีสารณะชัดเจนกุศลศีลเป็นไปตามลำดับดีไหม mm hmm. ก็ไล่ไปตามลําดับเลยไล่ไปตามลําดับจนถึงนู่นแหะพอสารณะกนะุศลศีลก็ขัดเก่าเป็นไปตามลําดับเมื่อพัฒนากุศลศีลออกจากอากุศลกรรมบท10เนีเป็นไปตามลําดับแล้วก็จากศีลสมาธิปัญญาก็ออกจาก ทำที่เป็นปฏิปักษต่อสมาธิแปประการประชุมในปฐมฌานทุติยฌานตัิยฌานจตุทะฌานและข ว, วิปัสนายานทุกระดับตั้งแต่อนิจญานุปัสนาเป็นต้นไปจนถึงปฏินิสคานุปัสนาประชุมในโสโดาปิมารสกาธาคารเป็นต้นโสโดามารโสโดาผลสกาธาคามารสกาธ า, า, า, า, า, าคาผลอนาคามารอนาคามผอรหัตมารอรหัตผลแล้วก็จะได้อนุ ป, ปาทาปริยภาน ถ้าทำในลักษณะนี้เขาเรียกปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมรือเขาเรียกโลกุตรธร ร, รมเมื่อท่านปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตรธรรมนั่นแหละจะเป็นปัจจัยทําให้ท่านรู้จักเองเห็นเองว่าโรคเห็นเองเห็นไหมเห็นโรคเห็นฝีเห็นลูกศรก็คืออันนี้อันนี้คืออะไรก็คือเนี่ยรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี้ยนี่เป็นโรค เป็นฝีเป็นลูกศรก็คืออันนี้โรคฝีลูกศรจะดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้ก็คือจะดับได้ก็คือการดับก็คือการถึงนิพพานไงความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนิพพานเป็นบรมสุขใช่ไหมเพราะอุปาทานของเรานั้นดับพบดับไหมเห็นไหมถ้าดับโรคได้ ดับโรคได้ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แปลว่าปรินิพานจุตติจิตได้พบดับไหมพบก็ดับถ้าพบดับชาติคือการเกิดมีปฏิสนธิชาติต้นต้นมีไหมเพราะชาติดับชะลามรณะโสกกระปริเทวะทุกขโทมรณสาวุปายาตดับไม่ดับความดับแห่งกองทุกทั้งปวงนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นี่ตรัส โอพอตัดเสร็จแล้วมาคันธิยาทำยังไงฮะมาคันธิยาทำยังไงเนี่ยข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญก็ว่างั้นนะมาคันธยาปรีภาชกได้กาบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญภาสิทของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนัก ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพาษิตธ์เขาพระองค์แจ่มแจ้งเปรียบเสมือนบุรุษหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางตามปทีบในที่มืดคิดว่าผู้มีจักษุเห็นรูปดังนี้ฉันใดท่านพระโคโดมทรงประกาศทำรรโดยอเนกปริยายหูทรงเหน็ดเหนื่อยเข้าไปเจ้ามานานแล้วใช่ไหมลำบากเพราะเพราะมาคันธยะมาก็เยอะใช่ไหมยี่สประสงค์ขายตอนนี้พระองค์ยังลําบากเพราะพวกเร า, เร า, เราอีกไหมเนี่ต้องมาลําบากเพราะพวกเร า, เราอีกนนเนี่ย เพราะเรายังไม่รู้จักความไม่มีโรคเพราะเรายังไม่รู้จักนิพพานใช่ไหมและเราไม่มีจกักษ่ของภัาริยะถ้าวันใดวันหนึ่งเรามีจักู่ของภัิยะนี่นะวันนั้นเน่ยเราก็ไม่เป็นคนบอดแต่ตอนนี้ยังบอดไหมกำลังทำ ว, วิธีการรักษาอยู่ไหมตอเนี้ถ้ารู้ว่าตนเองบอดจริงๆจะรักษาแบบเข้มขน้นหรือนานๆไปหาหมอรักษาแบบไหนแบบเข้มข้นไห แบบคนๆเลยใช่ไหมแล้วหมอนัด9ก้าโมงเช้ามาเท่าไหร่ดีมาสามโมงเย็นครึ่งโอ้อย่างนี้เ็าเรียกว่าไม่มาตามนัดเนะี่ยใช่ไหมอย่างี้อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไไดเอาแต่นี้ หมอหมอนัดมาแล้วใช่ไหมพอนัดมาแล้วเบสเสร็จใช่ไหมก็จะต้องมีการเรียกชื่อใช่ไหมเรามานั่งหลับ <laughs> <laughs> ไ, มไม่รู้เลยเขาอธิบายเลยว่าเงินใช่ไหมยุ่งอะไรตอนนี้โอ้ oh. ตรงนี้ก็คือว่าเปิดตรงนี้ก็ชั้นนั้นเหมือนกันพระองค์พูเจริญพระธรรมบอกว่าท่านพระโคโดมทรงประกาศธรรมเป็นอเนก เรื่ฉันนั้นเหมือนการฆ่าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมขอถึงพระธรรมที่พระโคดมทรงตรัสแล้วก็ขอถึงภริยาสงฆ์ว่าพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นเครื่องกําจัดภัยนะฆ่าพระองค์ได้ฟังฆ่าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระโคดมนบัดนี้เถิดพระมาคันธิยะผู้ใดเคยเป็นอนุญาตเดลถีหวังบรรพชา หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ผู้นั้นต้องอยู่ปริวาสสเดือนก่อนเนะเมื่อล่วงสเดือนแล้วพิกษุทั้งหลายมีความพอใจเห็นพ้องกันแล้วเมื่อไรจึงจะให้บรรดชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิสูจได้ก็แต่ว่าเรารู้ความต่างกันเห็นบุคคลในข้อนี้เห็นไหมคือพระศาสดาตรัสไว้ว่าถ้าต่อไปในอนาคตทําแบบนี้แต่ถ้าตอนเราอยู่เนี่ยเรารู้อุปนิสัยเรารู้อุปนิสัย มาคันธยะข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญถ้าชนทั้งหลายผู้เคยเป็นอัญญาธิรธีนะถ้าจะบวชบรรพชาในพระธรรมวินัยอันบเบสรฐของพระชินเจ้าอย่างนี้ต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนก่อนนะเมื่อร่วงสี่เดือนนะภิกษุเต็มใจจึงจะบรรพชาอุปสมบทได้แล้วไซข้าพระ อ, องค์จะขออยู่ปริวาสสี่ปี ว, วัดสทาเลยอยู่สีปีอ้าว ล่วงสปีไปแล้วภิกษู่พอใจเมื่อไรข้าพระเจ้าพึงได้บรรพชาอุปสมบทว่าไงมาคันเทียบปริาปราชกอุปสมบทในสำนักของพระเจ้าเลยพระเจ้าก็อนุญาตให้บวชไม่ต้องอยู่4เดือนแล้วก็ท่านมาคันเทียก็อุปสมบทไม่นานในะอยู่ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาททำความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่นานักก็ทําให้แจ้งถึงที่สุดแห่งพรหมาจรรย์นันยอดเยี่ยมที่กลุ่บุตรทั้งหลายออกบวชจากเรือนเป็นบนรรพชิต ปราถนาและต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งก็คือได้จากสุของปัจญาแล้วเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเห็นไหมเราเรียนมงคลกันตอนนี้มีอยู่ข้องอะไรนะอนากูลาใช่ไหมจะ ก, กรรมมันตากิจการงานที่ไม่มีโทษที่ไม่อากร ในที่ข้างค้างเนี่ยไม่เป็นมงคล<ม>การงานในที่นั้นคือกิจในเริยศาสตร์กิจในเริยศาสตร์นี่แหละ<ม>เราไม่รอบรู้สัจจยานกิจยานกตายานตามภาษาสดาไงเราเลยเป็นผู้อากูลด้วยราคะ<ม>อากูลด้วยโทสะอากูลด้วยโมห oh ะอากรูดได้มานะทิถิวิจิขยายหิได้การโนดจะป่าอุทะจเต็มไปหมดเลยตอนนี้อากูลอยู่ไหม ตอนนี้เป็นมงคลไหมเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นมงคลสูงสุดที่พระศ า, าสด า, อายอมสุวรรณเคยคิดไหมว่ามงคลเนี่เทวดาคิดส2บสองปีคิดไม่ออกแล้วทำไมเราไปเข้าใจเพียงกิจธรรมดาไอ้ตรงั้นทำไมเออเราไปกอ ไม่ได้แล้วต้องทํางานให้เสร็จเดี๋ยวเป็นอภิมงคลเนี่ยาษะสัตรัณบอกว่าท่านรู้ชัดใช่ไหมชาติสิ้นแล้วพระมจากย์กิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วเรายังไม่เสร็จส ก, กิจเลยกิจในการรอบรู้ทุกทําเสร็จหรือยังล้าสมุทไทยทํานิโรธให้แจ้งอบรมอริยมรรคโอ้ยังไม่ได้สั ก, กิจเลยมั้งเนี่ยเริ่มหรือยังตอนเนี้ย เริ่มจากกิจไหนก่อนอา้าวเริ่มจากกิจไหนก่อน <c oughs> มีคนเอ๊ะมีใครไม่รู้เล่าให้ฟังบอกว่า <c oughs> เขาบอกว่าทุกไม่ต้องไปรู้มันมีอยู่แล้วให้ไปละสมุทัยเลยเหม่สอนเล่นสอนข้ามพระเจ้าซะเนี่ยเล่นสอนแบบนี้นะสอนแบบเนี้มีคนมาเล่าให้ฟังมาเอาแล้วมี มีศาสดาวบัตรเกิดขึ้นยุคนี้กแล้วลําบากเลยลําบากสอนใหสอนเก่งกว่าพระเจ้าสีอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าทุกเป็นกิจที่ควรกำหนดรู้เขาบอกไม่ต้องหรอกเขาบอกไม่ต้องนะเขาบอกไปไปล่าสมุทรไทยทีเดียวก็ทุกขหมดไปเพราะทุกปรากฏ อ, อยู่แล้วนี่สอนอย่างนี้นะเห็นไหมบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรู ป, ประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ต้องไปกําหนดตอนนี้นะจกักษุให้สังเกตดูนะจกักษุคือญญาณปัญญาเนี่ยที่บอดเพราะว่าเราไม่เห็นไง ไม่เห็นสัมปติชนะสันติรณวัวธปนาโชนะตตาลาลนาใช่ไหมเป็นไปตามลําดับนี้เราไม่เห็นปิดหมดเลยเนี่ยก็จะบาปจะบุญเกิดไม่รู้เลยเราไม่เห็นนี่ยสันตติที่การสืบต่อเป็นไปตามจากปุวาววิถีลงสูโมโนาวารวิถีโสตถาวรลงสุโมนาวรคานาถาวรลงสูโมธทวรชิวหาถาวรลงสุโมนทวรกายธาวรลงสูโมนทวรแล้วก็โมธาวรที่เป็นปารลบทำมารมณ์แล้วอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เราไม่เห็นเลย เห็นไหมด้วยการที่เราไม่มีจักรสูของพภาริยะนี่แหละฉะนั้นที่เรามาฟังธรรมของภาริยะเราก็มาสืบค้นคําสอนเพื่อเราจะแก้ไขตัวยานปัญญาของเราที่ไม่มีใช่ไหมแล้วก็มาใส่จักรสูพอใส่เบีเสร็จตอนนี้ชื่อว่าเราใส่แล้วเริ่มใส่ไหมตอนนี้ยใส่ได้กี่ข้าง <laughs> ตรงนี้ก็ไปพิจารณาเดี๋นี้ว่าตรงนี้แหละในชั้นของคําสอนท่านถึงใช้คําว่าใน ในคําสอนที่บอกว่าเพราะท่านมาคันธิยะได้เป็นพระรหัสรูปหนึ่งในบรรดาพระรหัตั้งหลายแปลว่าท่านเรียบร้อยในสูตรนี้จึงสอนพวกเราโดยแท้จึงสอนพวกเราโดยแท้นั่นแหละโดยมีท่านมาคันธิยะเป็นประธานแต่ท่านมาคันธิยะเนี่ยท่านท่านไปได้ก่อนเราเพราะท่านเข้าใจลึกซึง้งแต่เราฟังแล้วเรายังไม่ชัด ก็ต้องไปทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งเนี่ยท่านบอกว่าทํำยังไงเราจะมีจักสู่ของภาริย์อะอะตอนนี้ทํำยังไงดีได้คําตอบไปยังเอ้คบสัตว์บุรุษใช่ไหมคือพระุทธเจ้าเมื่อท่านได้คบสัตว์บุรุษแล้วสัตว์บุรุษจะ ก, กล่าวพระสัตยธรรมที่เกี่ยวกับเริยสัตว์ให้ท่านฟั ง, ฟงใช่ไหม เมื่อท่านฟังอริยสัจแล้วเข้าใจแล้วฟังคําสอนเข้าใจไปเสร็จ ท, ท่านก็เริ่มปฏิบัติทำตามสมควรแก่ทําทันทีเลยใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ศาสนาโคมไปนี่ก็ตรวจสอบที่ตอนเนี้ยเริ่มตรวจสอบเป็นไปตามลําดับที่ตอนเนี้ยแข็งแรงดีอยู่ไหมพุทธทางสาสนานกระฉามีสัตทินรียเป็นยังไงสัตทินรียเป็นยังไงตอนเนี้ตั้งมั่นไหมบอกว่า เชื่อต่อสัตยยาวัตถุที่วัตถุที่ควรเชื่อมีพระเจ้าเป็นต้นไหมแล้วเชื่อแน่นอนไว้ตรงเนี้ยหรือบางค่าวไปเชื่อสิ่งอื่นอยู่เชื่อแน่นอนไหมแน่นอนนดูกิจจะสา ท, ทาีทําทําที่เกิดพร้อมกับตนให้ใส่ต่อสัตยยาวัตถุดุดแก้วมณีเนี่ยจุมไปในน้ํำไหมแล้วประการต่อมามีความเด็ดเดียวไหมตัวเขาเด็ดเดียวไหมเชื่อเด็ดเดียวไหม แล้วตอนนี้สามารถปลุกเราทำให้ภาษะเด็ดเดียวตามได้ไหมทำให้เวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินรีมรศิการเนี่ยเด็ดเดียวตามได้ไหมสมมติศรัทธาเด็ดเดียวแล้วแล้วธรรมที่เกิดพร้อมกับเขาเด็ดเดียวไหมเด็ดเดียวระดับไหนระดับเดียวระดับศีลหยังระดับจารีศีลระดับวารีศีลเป็นยังไงตอนนี้เชื่อมั่นเชื่อมั่นในกุศลศีลม ว่าปฏิปทานี้จะเป็นปัจจัยเก่ับความพ้นทุกข์ได้จริงเป็นข้อพิเดาถึงความพ้นทุกข์ได้จริงแล้วระดับสมาธิถ้าเชื่อสมาธิต้องได้สมาธินะ <laughs> ใช่ไหมเพราะอย่างนี้ยังไม่ค่อยเชื่อจริงจริงใช่ไหมถ้าเชื่อวิปัสสนาปัญญาก็วิปัสสนาปัญญาจะเกิดนี่ตั้งมันอย่างนี้เชื่อในพระธรรมพระธรรมไงถึงบอกว่าศรัทธาเนี่ยมีความเด็ดเดี่ยว และวทำธรรมนี่เกิดพร้อมกับตนให้เด็ดเดี่ยวคืสภาพของศรัธทธานั้นถูกกระไรถูกการฟังคําสอนหลอ่อหลอมจนเกิดความเห็นไหมศรัธทธาเป็นปจัจจัยแก่วิริยะวิริยะเป็นปัจจัยแก่สติสติเป็นปจัจจัยแก่สมาธิสมาธิเป็นปัจจัยแก่ปัญญาปัญญาก็มาเกื้อหนุนทําให้ศรัธทธามีสภาพที่ใสามากขึ้นขาดเก่าไหมขาดเก่าก็ตั้งมั่นต่อสัตยวัตถุต่อคุณต่อพระพุทธเจ้าเชื่อมั่น พระพุทธเจ้าเนียไม่ลังเลสงสัยทั้งด้านสรีระคุณทั้งธรรมคุณไม่สงสัยเลยเพราะศึกษามาดีฟังพุทธคุณในคถามาดีเลยนี่เขาเรียกเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแล้วไอต้ตรงนี้เม็นไว่าเนี่ยตรงนี้แหละเมื่อเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวก็เริ่มแล้วฟังพระธรรมพอฟังพระธรรมก็เริ่มตั้งมั่นที่บอกว่าเริ่มตั้งแต่สารณาคมก็เชื่อมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ชัดไหมไม่หวั่นไหวเลยเด็ดเดียว ตัวศรัทธาเด็ดเดียวแล้วก็ทำนั่นแหละสภาจิตะสาธารณาเจสิกเจที่เกิดพร้อมกับศรัทธาปกินอากาศเจตสิกหที่เกิดพร้อมกับศรัทธาอัญญาสมานาสิใช่ไหมให้เด็ดเดียวด้วยแล้วก็ทําสติหิลิโอตปาอโรพะอโทศาสตตะระมชตะตากายะปัสธิจิตะปัสติเป็นต้นทําสภาวะธรรมเหล่านี้จนถึงปัญญาเป็นต้นให้เข้าถึงความเด็ดเดี่ยวต่อสัทธาโยตุเหมือนกับ ทหารกล้าเหมือนทหารกล้ากล้าข้ากล้าที่จะข้ามน้ําที่มีสัตว์ไหลนั่นแหละไปได้ถึงฝั่งนู้นได้อย่า ง, งปลอดภัยได้เป็นต้นเห็นไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้ถ้าพระศ า, าสดาอยู่ที่ไหนจะไปเฝ้าอยู่ในพระไตรปิฎกก็จะตามเฝ้าอยู่ในคําสอ น, นไหนๆก็จะตามก็จะฟังก็จะเลือน้อมขัดเกลาแล้วเนี่ยพอจะมองเห็นไหมเนี่ยศรัทธาเป็นอย่างนี้ นี่เขาเรียกว่ากิจจระสาของศรัท ธ, ธาชัดและอุปทานากาละก็คือความไม่ขุนมัวความป่องใสเนี่ยต่อสัตยยว์ถุนะปรากฏต่อยานปัญญาสามารถเอามาวิจัยได้โอ้สภาพศรัทธาแข็งแรงแล้วพ้ปรากฏก็คือว่าสภาพที่ให้ผลก็คือตัดสินใจเชื่อต่อวัตถุที่ควรเชื่อไม่หวั่นไหวแล้วอะไรเป็นเหตุใกล้อะไรเหตุใกล้ ก, น ก, กนน็นี่แหละการคบสัตว์บุรุษการฟังธรรมเ็นเตอรเนี่ยโสตาไปยังค้านี่แหละนี่แหละเป็นตัวเพิ่มภูนทุกเป็นปัจจัยเกิดศรัทธาได้ไหมได้เนี่ยชาติที่ทุกชราทุกพญาทิทุกทําไมพระบระมศา ส, สดา จ, จึงมีศรัทธานในสัมมาสัมปวียาเพราะพระองค์เห็นทุกของตนเองและเห็นทุกของประชาัตว์เห็นสัตว์ที่ร่างกายแหลกหลานแหลกหลานนะ ในใบยภูมิตอนนั้นมีมีมียาณนะมีมีมีอภิน ญ, ญานะนั่นแหละพอความทุกขประชมในใจของพระองค์นะประชุมยังไหมว่าทุกของตนเองก็เหลือล้อนประมาณสัตว์ทั้งหลายก็ละงอมอยู่ในพิษไข่ก็คือความทุกขพระองค์ก็มีศรัทธาที่จะพ้นทุกแต่ไม่ใช่พ้นทุกแบบธรรมดาพ้นทุกแบบสัมมาสัมโพุทญาณ น, นี่นี่เป็นอย่างนี้นั้นพระาศาสดาจึงบอกว่า รศาสดาจึงต้องเพียรพยายามอย่างมากเลยในการที่จะระดมบารมีสิบอุปบารมีปรมัตถบารมีไม่อย่างยาวไกลเลยฉะนั้นคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยโดยส่วนใหญ่วางแนวไว้หมดนะถึงแม่สอนทิฏฐธรรมิกาธรประโยชน์ก็จะต้องเกื้อกูลต่อสัมปรายกถะแล้วก็ปรมัตถประโยชน์ และจะต้องวางแนว เ, เพื่อความพน้นทุกไว้เรียบร้อยเพรา ะ, ระ า, าสดาตัสรู้เราข้ามได้จะให้คนอื่นข้ามเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพนนะ้นนั่นแหละคือคือหลักการของพระ菩萨萨达เาเราระฉะนั้น菩萨萨达ต้องการจะขนเราทั้งหลายออกไปจากวัฏทุกข์เนะืถ้ามองมองวัตถุประสงค์ของพระบรมศาสดางนี้เราจะเห็นชัดใช่ไหมฉะนั้นคําสอนต่างๆเหล่านี้จึงจึงน้อมไปที่จะเป็นปัจจัยกกับการพน้นทุกข์ แต่ว่าในยุคหลังๆต่อไปเนี่ยเมือ่อเมื่อการสืบค้นคำสอนเนี่ยไม่ถึงอัธถาพยานใช้หน้าที่ชัดเจนเนี่ยนะไม่ถึงสภาวะที่ชัดเจนก็จะเริ่มเอามาใช้แบบการงานที่ต่ำลงต่าลงก็จะเป็นอย่างเี้ยหนาเข้านเข้ า, าจะหกัหกหักและจะเริ่มหักจากปารมัถประโยชน์ออกก่อนแล้วก็จะมาหักสัมปรายิกธประโยชน์แล้วก็จะมาใช้เฉพาปะประโยชน์ประโยชน์ปัจจุบันแล้วหนาเข้าก็จะเลื่อนไป ก็เหลือแต่ว่าความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐนิพพานเป็นบรมปรสุขก็จะเข้าใจอย่างเนี้ก็จะเข้าใจแบบการงานแบบโลกโลกไปฉั้นต่อไปเนี่ยคำสอนของพระศาสดาก็จะถูกเอามาใช้แบบนี้เอามาใช้แล้วเราก็จะมายินดีกับพวกเทวตาภาสิตบ้างลือศีภาษิตบ้างคําคมทั้งหลายใครออกวิทยุโทรทัศน์กล่าวคําคมคําแไรต่างโอ้โหน่าฟังเราก็จะไปชื่นชมคําแบบเนี้ซึ่งไม่ได้เป็นเป็นภาษิต ที่จะนําออกจากวัตถุทุกได้จริงและเป็นอย่างนั้นจริงมไหมเดี๋ยวนี้ยเริ่มเป็นหรืยังก็จะเป็นอย่างนั้นแม้เสียลายภาษาสดาเหน็ดเหนื่อยทํางานมาอย่างยาวไกลใช่ไหมเพียงแค่สองพันกว่าปีแค่นี้มาเลยเอาแล้วเราก็เริ่มจะเห็นคําสอนของภาษาสดาเนี่ยเริ่มจะเอามาใช้แค่ประโยชน์ปัจจุบันกันเลยอะไรที่จะเป็นไปประโยชน์เพืพบหน้าโดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งก็ถูกเริ่มตัดร้อนออกไปถูกตัดร้อนออกไป ในนี้เรแปลมงคลก็เลยเปแปลธรรมดาหรือ เ, เป็นการงานต่ำๆกันเลยเนี่ยตอนเนี้ยท่าน ต, ต้องเข้าใจคำสอนแล้วก็ต้องสืบค้นให้ชัดนี่สมควรเยา์เวลาอย่าอ่ะมีใครจะถามปัญหาไหมอ่ะไม่มีอ่ะเรื่อง